จากนี้ไปเป็นการ 10 มิถุนายนพุทธศักราช 2538ณพุทธสถานศรีมาอโศก ในปฏัยปีดกเล่ม 19 สังยุตตนิกายมหาวรรคน่ะท่านว่าไว้ 8 อย่างฟังๆนะเดี๋ยวจะอธิบายเข้าไปหา พอฟังธรรมไม่ต้องพูดออกมาก็รู้แล้วอ่าเราเป็นอนโทบาดามันไม่ต้องอุทานนะ ขีนะติระฌานะโยนิกะมียาวไปอีกขีนะติระฌานะติระฌานเดรัจฉาน 3 ขีนะ นะถ้าใครรู้บาลีหน่อยๆก็จะรู้แล้ว 4, นะ. นะ. 4 นะ. ขีนาปายะทุกขติวินิบาตขีนาปายะ นาคีนาปายะต่อกันเลย 4 เอา 5 นะอันที่ 4 นี่ขีนาอันทวนอันที่วินิปาตะคือสิ้นสุดกับเรื่องของอบายทุกขติ 6 นะ 5 โสตปันนะเป็นผู้เข้าถึงกระแสตามมา 2 ตัวเรียกว่ามอหันก็ตาม อวิฏิปาตะธรรมมีความไม่ตกต่ําเป็นธรรมดา 8 สัมโพธิปรายนะสัมโพธิปรายนะยะนอ ภาษาไทยก็ว่าภาษาไทยก็ว่าเป็นผู้มีภูมิก็คือจิตของเราตรัสรู้เป็นที่ ภูมิภพหรือโลกเนี่ยภพก็ว่าภูมิก็ว่าโลกก็ว่าเพราะงั้นเมื่อถึงขั้นปรมัตติก็เอาจิตนี่ เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเจ้านี่ต้องอ่านอาการที่มีความรู้ปีฟังความ ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาดับจิตศาสนาพุทธเป็นศาสนาดับกิเลสส่วนจิตนั้นไม่ต้องไปทําอะไรมันมันเป็นธรรมชาติ จิตสะอาดจิตนั้นไม่มีตัวตนจิตนั้นปล่อยจบแต่จิตผู้ที่ยังไม่นั้นน่ะปล่อยให้ตายจะให้มันเป็นอย่างนั้นก็คือเดาเอาแล้วจิต เช่นไม่เอาพบแล้วมันก็ยังเป็นพบอยู่โดยสัจจะนั่นแหละเพราะ สะอาดแล้วจิตนั้นจึงจะไม่ใช่ตั่วตนเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ต่อพบภูมิไม่ตั้งใจจะตอบพบไม่ตั้งใจจะตอบพุทธภูมิหมดภูมิหมดพบไม่ แต่อยากเท่านั้นเองยิ่งเป็นกิเลสซ้อนลงไปอีกก็อยาก ไม่เอาไม่ดับไม่ถืออ่าไม่ใช่ของฉันแต่โดยเฉยๆไม่เป็นไรนี่ไม่มี แล้วตัวเองก็ไม่ยอมรับรู้ว่ากรรมที่ตัวเองทํานั้นก็เป็นกรรมชั่ว อ่าไปติดใจน้ําอัดลมอะไรก็ตามแต่เอ้าเถอะน้ําอัดลมมันอาจจะไม่มีพิษเท่ากับ อนาคามิภูมิเข้าขีดนี้ถึงจะขึ้นอรหัตผลอาตมาจะอธิบายให้ฟังตรงนี้นะจะไล่โสดาภูมิสักกิทาคามีภูมิแต่ไม่ใช่บุคคลนะที่พูดนี่ไม่ใช่บุคคลนะภูมิของจิตโสดาภูมิสักกิทาคามีภูมิอนาคามีภูมิอรหัตตภูมิเอาสังโยชน์ 10 นี่มาเป็นตัวไข อรหัตตภูมิในสกิทาอรหัตตภูมิในอนาคาอรหัตตภูมิในอรหันต์เราเข้าใจซ้อนลึกอย่างนี้แล้วเราจะมีญาณตรวจสอบ 2, 2> แล้วคนแลแล 5 แล ว. แต่คนลูกศิษย์นี่บอกมันเป็นยังไงเว้ยญาณฐานเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันไม่จริงพระพุทธเจ้าต้องให้รู้ด้วยเดิตนปะจะ อ่าเป็นอย่างนี้คืออย่างนี้อย่างนี้โสดามันก็มีความว่างเบามันไม่มีภาระมัน 6 อบายภูมิ 4 อบายภูมิ 6 อบายมุข 4 อบายมุข 7 อะไรที่เราเคยเยอะ มองใครไปติดสภาพที่นั้นนี่อยากจะไปเป็นดีได้เงินได้ทองมันไม่มีอะไรจะเถอะลูกหลาน อาชีพอะไรไม่มีดีกันได้ไปแก้ผ่ากินให้รูปร่างที่มันจะสมมุติกันว่าสวยว่างามไปสวยที่อื่นอย่ามาสวยที่นี่ไม่ใช่สวยน่ะไม่เข้าเรื่องเดี๋ยวนี้โยกส่งเสริมอะไรๆมาจาก ข้อแถมแวะแถมตรงนี้อุดมมงคลอันอุดมหมายความว่าความประเสริฐที่สูง ใครจะเขียนรูปโปรูปเปลือยนี่ก็เขียนได้แต่เขียนรูปโปรูปเปลือยออกมาแล้วคนดูเนี่ย เข้าใจง่ายขึ้นมั้ยอ่าคุณเขียนภาพโปคุณเอาภาพโปภาพโปแล้วเนี่ยถ่ายภาพโปมากันรูปอนาจารหรือ อย่างนี้ศิลปะทําให้ลดละนายคลายทําให้เป็นมงคลอันเพิ่มอนาจารหรือเพิ่มจะเป็นศิลปะงานชิ้นเพิ่มเรียกว่า เด็กว่าศิลปะอ่ามีแวะให้ใช้ความรู้ก็เป็นลูกศิษย์ของศิลปินอ่าอาตมาถึงแม้แล้วอย่าไปให้เขาหลอกอ่าอะไรคืออนาจารอะไรคือศิลปะยังไม่รู้เนี่ยแล้วก็ ทำให้เสียหายสังคมไปไม่รอดหรอกไม่เข้าใจอย่างเนี้ยไปไม่รอดอ่ะทีนี้ก็มาถึงอบายมุขหรืออบายภูมิอสุรกายเอาละในนี้ไม่มี อบายทุกขติและวินิบาตต่างๆนี่ก็ไม่เป็นไรนะอธิบายอบาย 4 นี่ ใครที่เห็นว่าอาการราคะของเราก็นี่เราจะสงบเราจะพอกดข่มเรา นะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอาการเมื่อไหร่เมื่อๆน้อยๆก็เลือดของเราแต่ในที่ประเจิดประเจ้อในพวกนี้เราไม่แสดงออกหรอกเรา มีวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมอย่างไทยก็คือไทยไม่ใช่วัฒนธรรมอย่างนอกมันจะมีทางทางปล่อยวัฒนธรรมข้างนอกน่ะมันปล่อยด้วย จะนำกอดมาจูบกันนี่เห็นก็ถือธรรมดาธรรมดาอะไรงั้นมันก็ราคะอะไรน่ะปล่อยราคะ อาตมาอธิบายละเอียดหน่อยผิดผีเพราะฉะนั้นอาตมานี่นิยมญาติวัฒนธรรมไทยเลยอาตมานิยมวัฒนธรรม ถ้ายิ่งมีวิธีการวิปัสสนาญาณทําทําให้ๆคล้ายๆ อาจจะมีวูบวาอะไรปั้งแต่ก็ไม่แรงยิ่งถึงขั้นการดราม 20 ปีเนี่ยคดีคึ้งขั้นทบกันปาก เพราะเราไม่เคยมือมือไวไกลเร็วถึงขนาดนั้นแล้ว อำนาจทางจิตสามารถที่จะมีสติสมาธิสมาธิพอมีสิ่งยั่วก็มีสติรู้ตัวยับยั้ง แล้วเราแรงหรือไม่แรงก็อ่านใจของเรานะหรือดีอย่าเข้าข้างตัวเองถือว่ายังสอบไม่ได้ทั้งเอออย่างนี้สบายไม่ต้องกด เพราะการจะตัดเกรดโสดาเราก็จะไปที่อนุโลมเรานักนิดๆๆแล้วมั้ยอันนี้ตัดเกรดได้แล้วโสดาแล้วอย่าไปเอาแค่นั้น แต่กรรมในเขตวัดเขตวานี่ไม่ได้นะต้องถือศีล 8 ผู้หญิงก็ต้องรักนวลสงวนตัวแม้ปลายก้อยอย่าให้ผู้ชายมา สังขารมันก็เป็นทุกข์ชนิดนึงแต่ลงว่ามันสุกยิ่งไปทําลายเขาเป็นทางๆนี่มันสอถึงจิตส่วนจิต 2 นิริยะไม่มี ฉลาดรู้ๆและคุณก็เป็นคนที่เอาไปปฏิบัติจริงตามเลยตัวเองยังทําผิดแล้วแต่เราก็รู้เป็นเดรัจฉานทั้ง เจตนาจะเป็นเดรัจฉานเองไอ้หมาแท้มันจะเป็นหมาจริงๆน่ะมันจะเป็นเดรัจฉานเองทั้งๆนี่มันเจตนาจะเป็นเดรัจฉานน่ะเข้า แสดงออกทางโทสะมากไปเราอย่าเลยมีกําลังแม้แค่สมถภาวนากดข่มก็ คุณน่ะทําด้านวิปัสสนาด้วยปัญญาด้วยเหตุปัจจัยจริงๆนี่เราก็นี้เรียกว่าลดด้วยวิปัสสนาญาณฝึกบ่อยๆชํานาญขึ้น ยิ่งดับได้สนิทโดยวิปัสสนาญาณทั้งๆที่ โพชจงหมายคําว่ามีองค์แห่งการเดินทางไปสู่ความตรัสรู้หรือ 2ๆคุณเดินทาง จิตอริยะมั้ยล่ะลงทางขยะใช่มั้ยคุณต้องอ่านจิตของตัวเองให้รู้ทิศทางนี้ คุณต้องเกิดญาณเห็นกิเลสรถมีตาทิพย์มีวิปัสสนาญาณมีมโนมยิทธิมโนมยิทธิหมายความว่านั่นแหละเรียกว่ามโนมยิทธิไม่ใช่ว่ามีฤทธิ์ทางใจเฮ้ยเอ็งได้เป็น ออกนอกรีตศาสนาพระพุทธเจ้าที่กําลังพูดนี่เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นคําๆนานาแต่ก่อนนี้ จาก 1,000 เป็น 900 จาก 900 เป็นหลอด 800 จากพหุมาเป็นนิดเอกโกปิหุตทวาพหุตตาโหติหรือว่าพหุตถาปิหุตตวาเอกโหปิบาทไม่ อภิภาคอธิบายมาหมดแล้วอภิญญา 9 อภิญญา 6 อะไรก็อธิบายมาหมดแล้วอ่าวันนี้ทบๆเกิดมากเกิดๆเรียกว่าจับ อ่าไม่ใช่ทำลิสติติขายเก่งดีงั้นเหรอไม่ใช่วิชา 8 วิชา 9 วิชาอภิญญาพวกนี้แหละเกิดจริงต้องมีคือชั้นต่ำ มันต่ําจนกระทั่งไม่รู้จะตกปลาตับเลยมันตกล่วงวิก็แปลว่าใหม่นิก็แปล มันไม่มีที่จะตกไปชั่วยิ่งกว่านี้ไม่ได้ในโลกกาในโลกนี้เพราะความชั่วใดๆที่ต่ําเราก็ประมาณเอาของเราถ้า โซดามันต้องตัดขีดนรกของตนเองไว้ข้อที่ 4 เปรตอาตมาไม่ได้อธิบายมากเดรัจฉานอธิบายมาอสุรกายคือไม่กล้าไม่กล้าก็คือยังไม่แข็งแรงเรารู้อยู่ว่านี่ก็คือขีดที่เรา กล้าทําดีนี้อย่างสมบูรณ์อย่างไม่ต้องไปตั้งใจอย่างไม่ต้องไปสังวรอย่างไม่ต้องไปลําบากเนี่ยเรียก ไม่ต้องพื้นเลยได้ต่ําสบายไม่อยากไม่เย็นได้โดยไม่ลําบากได้โดยไม่ยากแต่นี้หรือนี้เอ้อไม่อสุรกายจิตกล้าพอ ผีหลอกถูกผีดึงถูก 4 ที 5 ข้อ 6 เนี่ยสําคัญอนันตอบายภูมิ 4 ข้อ 5 มาบอกว่าเป็น เรารู้ด้วยญาณว่ากระแสนี้สู่ทางบุญเป็นมรรคสัมมาอริยมรรคเดินทางนี้ ยังไม่เข้าขั้นเขตโสดานะยัง เข้ากระแสก็ต่อเมื่อจะต้องเป็นวิราคานุปัสสีนี่ 50 หน่วยในครึ่ง 60 70 เผื่อมันเอียงสัก 60 70 หน่วยอย่างนี้ แน่นอนถ้าแน่นอนถ้าจริงเต็ม 100 ก็ยิ่งแน่นอนเพราะอธิบายอธิบายแล้วว่าเห็นมันไม่เที่ยงอะไรแต่แค่คุณเห็นไม่เที่ยงกิเลสเรามันเพิ่มกิเลสนี่ให้ เราก็มีญาณเห็นกิเลสเราโธเอ้ยกรณีแพ้ร้อยเป็น 105 เป็น 110 คุณคุณยังไม่เข้ากระแสเติมมา 105 มันไปกระแสไหนไปมรรคทางไหนทางสวรรค์หรือทางนรกถ้าอาตมาอธิบายอย่างนี้คุณยังไม่รู้เรื่องนี่อาตมาว่าเอ้าหัวไปกินขี้หมา จับมาอธิบายขนาดนี้แล้วเนี่ยอาตมาว่าอธิบายธรรมะกันขนาดนี้เพราะถ้าจะมีคนมีภูมิ ก็ยอมพอเราเป็นพุทธศาสนิกเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าๆอนิจจานุปัสสี เอออยู่อุทธะนั่นน่ะขยายไม่ออกหรอกนะ มันไม่ได้ร้อยเท่าเก่าแต่มันดันเป็น 105 110 นี่นั่นเรียกว่าทางเหมือนๆคุณต้องกําหนดแม่นหมายๆไอ้นี่ แน่ใจเลยคุณทํานี่คุณเดินทางแน่คุณมีมรรคอริยมรรคเดินทางเข้ากระแสนี่คือโสตาปันนะโสตาปันนะฟังรู้จักเข้ากระแสยังน่ะฉีดเข้าเส้นเลือดหน่อยถูกเส้นเลยนะฉีดเข้าไปได้เลยอ่าระวังไปถูกเส้นลงนรกน่ะเนี่ยเข้ากระแสน่ะๆ คนมิจฉาทิฐินี่คุณพ้นคุณรู้ว่า เห็นเองรู้เองด้วยญาณนะอาตมาบอกได้เท่านั้นชี้ทางเท่านั้นอาตมาไม่ได้ทําให้คุณอาตมาไม่ไปเห็นด้วยแต่คุณอหเมตังนะชานามิอหเมตังนะ เข้าหรือไม่เข้ากันยังไงแล้วก็ชัดแล้วคุณจะพ้นเป็นโสดาเข้ากระแสแล้วคุณจะพ้นก็ต่อเมื่อคุณร้อยคุณทํา ต้องชนะถึงจะเดินทางเข้าไปเรื่อยๆทีนี้เดินทางสังสมสักกายะนี่แหละไม่ใช่ หมดตัวตนมันก็หมดทุกอย่างมันก็หมดกิเลสหมดสอบโพสต์ดอกเตอร์มา แปลสักกายทิฏฐิผิดสักกายทิฏฐิก็คือตัวตนสักกายะกับตัวตนอัตตากับตัวตนอาสวะกับตัวตน ลดได้ถึง 50% ค่าตาย 60% ค่าตาย 70% คุณประมาณๆลดอย่างอะไรมีข้อเงื่อนไขประเถมตบทพ้นสังโยชน์ 3 อย่างนี้ไม่ชัดนี้ไม่ชัดอย่างนี้ลําบากอย่างนี้คุณเองคุณตัดสินไม่ได้ให้คะแนนไม่ได้สอบ 2 ก็ยิ่งเก่ง 3 เก่ง วิจิกิจฉาไม่สงสัยในพระรัตนตรัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อันนี้แหละ เรเรเราก็มาเป็นตามเรียนรู้ตามแล้วมาทําตามเกิดธรรมะเรารูปนนไม่สงสัยหรือพระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิทธัตถะนน จริงๆไปอ่านดูสิสงสัยมันเต็มมันแหละคุณไม่มีภูมิปัญญาไปอ่านดูสิเนี่ยพระธรรมเนี่ยไม่สงสัยเหรออ่านแล้วจะงงตายเนี่ย 8 นี่ยังอยู่นอกเขตเทศบาลเป็นปุถุชนยังจะเป็น นี่เรียกว่าปรมัตตนิพพกุตตระเพราะฉะนั้นผู้ใดได้สัจจะที่เป็นปรมัตตอย่าง อรหันต์ในโสดาอรหันต์ในสกิทาอรหันต์ในอนาคัสอรหันต์ในอรหันต์ของบุรุษปกติเนี่ยผู้หญิงแม่ไม่สูงบุรุษก็ นะอ่าอาตมาอธิบายมาถึงสกายะมาถึงศีลบทศีลคือหลักเกณฑ์ที่เรากําหนดว่าเราจะละอันนี้เลิกอันนี้ตอนนี้เราอาตมากําหนดลงไปว่า ไปซิ่งเสเพทไปเที่ยวกลางคืนไปคบมิชั่วไปดูหนังลิเก 8 อบายมุข 4 อะไรก็ตามใจคุณเลือกมานอกกว่านั้นก็ตามๆสังวร มรรค 8 โพชฌงค์ 7 อะไรเนี่ยที่อาตมาอธิบายไปมากอะไรที่คืออธิบายหลักของโพชฌงค์ 8 ปฏิบัติตลอดเวลาสังคปะๆ เมื่อคุณปฏิบัติศีลตามที่คุณกําหนดเป็นมัชฌิมาของตน หลักๆจุ้งๆกันไปเล่นๆงั้นน่ะศีลัพพตปทาณน่ะเรียกว่ามันยังต่ําวิธีแต่เราไม่เอาจริงปรามาทนี่แปลว่า ได้แต่แค่ทําจบจักจดๆทําเลาะๆและๆทํารูปๆคําๆทําเล่นๆหัวๆไม่มีมรรคมี ต้องมีวิราคะจึงเรียกว่าพลศีลัพพตปรามาสแค่พลอนิจจังปุถุชนคุณเดิน ที่เราว่าเห็นแต่รักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็พูดกันอย่างงี้ล่ะแล้วเห็นอนิจจังยังไงตรงไหนยังไงเห็นความเกิดดับแล้วอะไรเกิดอะไรดับไม่รู้เห็นอย่างงี้ล่ะเกิดดับเพงกิเลสเห็นจิตเจตสิกเกิดดับกิเลสมันก็เหมือนจิตกิเลส มันเป็นแขกจรไม่ใช่จรมันแขกประจําเลยอาตมาว่าวันนี้อธิบาย น้าค่อยๆว่ากันไปน่ะคืออาตมาจริงๆนะใจมันยังมีฉันทะที่อยากก็อย่าเอาเอาไปไว้ทําไมเอา เนี่ยวันสําคัญเมื่อนั้นเมื่อนี้มีโอกาสมีอะไรก็ต่อเมื่อผู้ ประมาทประมาสบอกแล้วว่าประมาสหมายความว่าทําเล่นอ่าแค่เดินๆหูหัวเรียก อนิจจังนุปัสสีหรือพ้นแค่มิจฉาทิฏฐิก็ไม่พอพ้นแค่อนิจจังไม่พอต้อง เป็นวิราคานุปัสสีได้จางคลายลงแท้มีญาณรู้เลยว่านี่เรา เดินไปสะสมมรรคนี่แหละสะสมๆจนกว่าเหตุแห่งทุกข์มันจะดับลงมันจะดับลงคุณเคยติดบุหรี่คุณจะอาการติดอาการกิเลสมันๆมันจะอยู่ตามธรรมชาติมัน นั่นล่ะดีถ้าจะลดแล้วก็ไม่มีเหตุปัจจัยมายั่วเลยเนี่ยมัน 500 ล้านไปจ้างๆเนี่ยไม่ มาเองอย่าไปรังเกียจแมะไอ้คนนี้มันดูดินี่อย่าๆๆมาแล้วมาแล้วสู้ด้วยมาหมายสู้ด้วยมาหมายสู้ด้วยไม้นี้อ่าเอาให้แม่นต้องเป็น ไปเรื่อยๆมองแล้วสกายะทิฐินี่คือกิเลส ไปเรื่อย 50% เราก็เป็นพอ 50% 60% 70% เข้าลดต่อไปอีกสกิทาคือลดกิเลสนั่นน่ะต่อไป เราด่าเราลดละราคะของเราก็จริงอยู่อัตตาชังเค้าโทสะคนอื่นโกรธคนอื่น นี่ไม่รู้ไปต้องๆอ่านจริงๆแล้วเรา ก็ยังเรียกมันว่ารูปน่ะล่ะแต่มันเหมือนไม่ใช่รูปแล้วมันเป็น ในผู้อยู่บุชายนี่มันเรียกราคะชัดใช่ๆมันจะเหลือพริ้วๆน้อยๆไม่ต้องสัก จะไม่เกิดอีกยังไงก็ไม่ฟื้นหิริโอบทะปะๆไม่เป็นเป็นเพราะอารมณ์ราคะอารมณ์กามนี่รูปนี่มันมีริ้วๆรอยบางติดแต่มันก็ สาอุตตรจิต 16 อ่ะมันเป็นสอุตตรจิตมันพลเอ่อสังคิตตังจิตตังแต่ดีกว่านี้ยังมีอีก ดีแล้วล่ะแต่หืมยังไม่สมบูรณ์ยังไม่แอบโซลูทยังไม่สุดล้างให้มันเกลี้ยงจวบทั้งรูปราคะก็ แล้วไม่มีมานะสอนว่าได้ดีแล้วก็เอาดีมาแบ่งข่มด้วยถ้าอาจจะ อุทธัจจะนี่แปลว่าลอยสูงเบื้องบนมันๆเก็บให้เกลี้ยงนั่นเองใดๆถือดีถือตัวใดๆก็แล้วแต่ยึดๆก็แล้วแต่เรียนรู้ ไม่มีก็มีไม่มีให้ นะอุดธรรมภาคิยะสังโยชน์นี้ผลสะอาดจริงนี่คืออรหัตตผลจินดาแม้แต่ในเรื่องความดีงามเราทําดีแล้วเราๆนะเที่ยงแท้ หิริมีอตัปปะมีความเข้าใจแท้ว่าทิศทางเล 3 อยู่โลกนี้แหละไปลงกุฏฏระภูมินี้แหละเด็ดขาดเลยเที่ยงๆแต่อาตมาก็เคย ก็เลยไปเข้าใจต้นๆว่าคลอดจาก 1 ปุ๊ดก็ 1 ชาติคลอด 2 ปุ๊ดก็ชาติคลอด 7 ปุ๊ดจะได้เป็นพระอรหันต์โดยไม่ได้ภาคเพียรมันจะปฏิบัติเลย <ak> การเกิดอันนี้ไม่ใช่การเกิดนั่นการเกิดโลกในระดับชั้นในระดับชั้นของๆน่ะมีอะไรโลกอบายโลกกตธรรมรอบๆ <S an> เด็ดค่าเนี่ย 7 รอบอตมะก็เคยอธิบายแล้วไม่เป็น 2 2 3 6 7 อะไรเนี่ยถ้าขึ้นถึงเขตนี้แล้วหวังได้ ได้แค่ 6 ก็จะพึงไว้ใจตัวเองเพราะฉะนั้นสอบ 60% ไม่ต้อง 70 ขึ้นไปถึงจะหวังได้นี่คือสัปปคัพตุและไม 5 นาทีเอาละ